ชายที่พบกับความหวาดกลัวในที่สุดก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีชายหนุ่มที่กล้าหาญและไม่เกรงกลัวชื่อไททันในดินแดนสตรองการ์ดความกล้าหาญไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่สําหรับไททันคําว่ากลัวไม่เคยมีในพุทนานุกรมของเขาบางคนก็บอกว่ามันไม่ฉลาดเลยบางก็บอกว่าประมาทเกินไปแต่สําหรับเด็กหนุ่มแล้วเขาไม่รู้เลยว่าความกลัวคืออะไร โอ้ไทยท่านนายช่างกล้าหาญนายไม่กลัวอะไรเลยอย่างขัานเหรอฮะอะไรนะกลัวไงเมื่อมีบางอย่างที่ทำให้นายเสียขวัญและได้แบบเออเสียขวัญนะ่ะเออมันคงแปลกหน้าดูนะถ้ารู้สึกแบบนั้นฉันจะออกตามหามันก็แล้วกันยังไงก็เถอะโชคนี้นะโชคดี เมื่อทุกคนพูดเกี่ยวกับความกลัวนั้นทำให้ไททันอยากรู้อยากเห็นอย่างมากเขาตัดสินใจที่จะออกเดินทางค้นหาความกลัวไปทั่วโลกเขาเดินเป็นเวลาหลายชั่วโมงจนพบกับชายที่น่าสงสารคนหนึ่งนั่งอยู่ในป่าและกําลังร้องไห้คุณครับรีบปลดช่วยผมด้วยครอบครัวของผมถูกจับไปด้วยมังกรที่อาศัยอยู่ในถ้ำได้โปรดช่วยพวกเราด้วยเถอะ ช่วยเราด้วยแน่นอนผมจะช่วยคุณผมจะพิชิตมังกร น, นั่นและปล่อยครอบครัวคุณเองเขามุ่งหน้าไปที่ถ้ำด้วยความเร็วเมื่อเขาไปถึงที่นั่นเขาพบมังกรที่สง่างามพร้อมกับครอบครัวของชายคนนั้ น, นอนอยู่อ้าไอเด็กโง่นายมาให้ฉันกินอย่างนั้นเหรอข้ามาที่นี่เพื่อช่วยคนที่เจ้าจับมาอะไรนะ ทำไมไม่ลองดูล่ะทวยท่านปินขึ้นไปบนต้นไม้ไกลๆแล้วดึงเาวันออกมาเขามัดมันเป็นบ่วงแล้วโยนไปที่หัวของมังกรแล้วมัดที่ปากของมันเขาคว้าเทวันอีกอันแล้วโค้นตัวลงมาบนมังกรและกระโดดไปที่หลังของมันฮเจ้าเป็นของข้าแล้วตอนนี้ไปเร็วบินไปเลยฮ่า ท, ท่านรีบกระโดดลงมาจากหลังของมังกรลงต่อหน้าครอบครัวของชายคนนั้นที่กลับมาหาครอบครัวของเขามังกรบินหนีขึ้นไปบนท้องฟ้าขอบคุณมากนะที่ช่วยชีวิตครอบครัวผมไว้ผมชื่ออาสาตขอบคุณมากจริงๆเธอเป็นเกียรติมากครับคนไม่กลัวเลยอย่างนั้นเหรอตอนที่เผชิญหน้ากับมังกรที่ยิ่งใหญ่เ อ, อ่อผมควรกลัวอย่างนั้นเหรอไม่รู้สิ แต่ผมสัมผัสได้แค่อดรีนาลีนที่ไหลพุ่งผ่านเส้นเลือดของผมผมกำลังตามหาความกลัวแต่ยังไม่เจอเลยไกลออกไปจากที่นี่มีเมืองชื่อเดฟา้าอยู่ที่นั่นมีนักทำนายที่จะสามารถตอบคำถามที่คุณหาอยู่ได้ไปที่นั่นและมอบกำไลนี่ให้กับเขาเขาจะบอกหนทางที่คุณมองหาอยู่ขอบคุณไททันออกเดินทางค้นหาความกลัวต่อไปเขาเดินไปเรื่อย ผ่านป่าที่หนาทึบทะเลทรายที่ร้อนระอุฤดูหนาวที่เย็นจัดจนวันหนึ่งเขามาถึงเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเดฟาเขาไปพบนักทำนายตามคำแนะนำเมื่อเขาเข้าไปเขาพบกับชายลึกลับสวมหมวกและกำลังนั่งอยู่ตรงหน้าไฟวิเศษสวัสดีไททันข้ากำลังรอเจ้าอยู่เลยนี่คุณรู้จักชื่อผมได้ยังไง ท่านผู้ไม่มีความกลัวนั่นคือที่พวกเขาเรียกเจ้าสินนะมีเรื่องเล่ามากมายเรื่องที่เจ้าจัดการมังกรที่ยิ่งใหญ่ผมเดินทางมาไกลแสนไกลเพื่อค้นหาสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าความกลัวบอกผมมาเถอะว่าผมจะหาความกลัวได้อย่างไงอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากจริงๆแล้วข้าจะได้อะไรละ่ะหากบอกสิ่งที่เจ้าต้องการ อผมมีแค่กําไรอันนี้เท่านั้นเองมีแค่นี้อ่าเครื่องร้านแห่งโชคชะตาเยี่ยมมากนี่เป็นกําไรวิเศษที่มีอยู่คู่เดียวนําอีกอันมาให้ค่ะแล้วเจ้าจะได้พบความกลัวไปที่ชายฝั่งของมหาสมุทรและดําดิ่งลงไปใต้มหาสมุทรซะที่นั่นเจ้าจะได้พบกับกําไรอีกข้าและความกลัวที่แท้จริง ไ <laughs> ททันไปที่ชายฝั่งของมหาสมุทรเพื่อดำลงไปในน้าเมื่อไปถึงที่นั่นเขาพบกับเรือลาหนึ่งติดอยู่บนภูเขาน้ำแข็งและมันค่อยๆจมลงไปในมหาสมุทรช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยข้าต้องช่วยเขาไทาทันกระโดดลงไปในน้ำที่เย็นเฉียบและมีฉลามลอยอยู่เต็มปีหมด ม่งหน้าไปที่เรือเมื่อเขาเกือบจะถึงเรือเขาถูกดึงลงไปใต้มาหาสมุทรด้วยแรงมหาศาล โ, โ, โอ้โอ้อะไรเนี่ยเมื่อเขามาถึงก้นสมุทรเขาพบกับนางเงือกที่กําลังถือโซ่ในมือมือข้างหนึ่งกําลังดึงเรือลงมาและโซ่ในมืออีกข้างก็กําลังดึงเขาลงมาทิ่ข้อมือของเธอมีกําไรอยู่เครื่องรางแห่งโชคชะตาไทาทันดึงนางเงือกเข้ามาใกล้กับเขาด้วยแรงทั้งหมดและมัดเธอไว้ด้วยโซ่ เรือหลุดออกจากภูเขาน้ำแข็งและกลับไปลอยได้อย่างปกติโอ้ได้มาแล้วเขากลับไปยังที่พักของนักทันนายแต่ก็ไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วด้วยความเศร้าและสลดใจเขาจึงออกเดินทางต่อไปในเมืองและเมื่อได้ยินเสียงระฆังของอาณาจักรดังขึ้นสองครั้งเอ่อขอโทษนะครับ เสียงระฆังหมายถึงอะไรงั้นเหรอราชาแห่งเดฟาประกาศสละบัลลังก์แล้วยังไงล่ะถ้าเกิดเสียงระฆังดังสามครั้งฟีนิกซ์จะถูกปลดปล่อยออกมาใครก็ตามที่มันบินเข้าหาจะถูกนำตัวไปในพระราชวังของราชาแล้วทำไมนายไม่รอดูมันหน่อยเล่าตอนนี้ใกล้จะได้เวลาแล้วนะท่านใดนั้นระฆังของอาณาจักรก็ดังขึ้นอีกครั้ง ผู้คนต่างยินเมานกฟีนิกซ์ที่งดงามลุกขึ้นมาจากเปลวเพลิงแล้วบินไปในอากาศว้าวช่างสง่างามยิ่งนักฟีนิกซ์บินอยู่บนท้องฟ้าและมาหยุดอยู่ที่ไททันที่กำลังตกตะลึงในพริบตาพวกเขาก็หายไปในอากาศฟีนิกซ์นำตัวไททันมาพบกับราชาแห่งเดฟ้าในราชสำนัก ยินดีต้อนรับไทยท่านอาอาฟาบาหนั่นท่านนั่นเองคนที่ข้าเคยช่วยไว้ในป่าใช่แล้วไทยท่านฉันกำลังมองหาคนที่จะมาสืบทอดบรรลังของฉันแต่ไม่มีใครคู่ควรเลยฉันต้องการชายที่มีความกล้าหาญแข็งแกร่งและมีเมตตานั่นเป็นคุณสมบัติที่ดีของราชาแน่นอนว่านายมีมันไทยท่านอะไรนะทั้งนั้น คุณกำลังจะบอกว่าทั้งหมดที่ผมเจอเป็นการทดสอบอย่างนั้นเหรอทั้งมังกรมหาสมุทรลึกหนางเงือกที่น่ากลัวและทุกๆอย่างเป็นการทดสอบองั้นเหรอใช่แล้วล่ะนายทำมาได้ดีมากนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเลือกนายเป็นผู้สืบทอดอย่างไรล่ะแต่แต่ว่าผมเกรงว่าผมจะทำให้ผู้คนมีความสุขไม่ได้ในตอนนั้นเอง ความรู้สึกกลัวนี่เกิดขึ้นกับเขาเป็นครั้งแรกถ้าผมทำมันไม่ได้ละ่ะถ้าหากว่าผมล้มเหลวละ่ะเอ่อฮะความรู้สึกนี่มันอะไรกันนะนี่หรือเปลา่าที่พวกคนเรียกกันว่าความกลัวทายทันนายเป็นชายที่มีเกียรติมากหัวใจของนายแข็งแกร่งมากฉันมั่นใจว่านายจะเป็นราชาที่ยิ่งใหญ่แน่นอนถ้านายยอมรับมันจะให้ความกลัวเอาชนะนายได้ มันนำทางนายไปและเรียนรู้จากมันขอบคุณมากฝ่าบาทราชาอาศานข้าตกลงรับข้อเสนอและเช่นนั้นไทยท่านได้กลายมาเป็นราชาแห่งเดฝาและปกครองอาณาจักรในฐานะราชาผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นที่รักเขาทุกคนและกลัวที่ต้องนั่งบันลังราชาไทยท่านทรงพระเจริญราชาไทยท่านจงเจริญ เรื่องราวของราชา่ายท่านผู้ไม่มีความกลัวถูกเล่าขานต่อมาในหลายชั่วอายุคนพระพวกเขาไม่เคยมีราชาคนใดที่ใจดีและกล้าหาญดังเช่นราชาแห่งเดฟ้าอีกแล้ว